b o ๊กทูเ ok ก้าสิประโยคคาสั่งสอง imperative t โกนหนวดโน่คุณจะต้องไปตัดผม n น skal ู่ว่าสเก่ยหวีผม n น skal ู่เกรดไอ้โทรมานะริ่งเริ่มได้แล้ว n บื t t น g ร n g มต t นหยุดเธอ ชัางมันหล่อวาดะพูดมันออกมาซีดด <Si det. S 1> ซื้อมันมาหยาบเตอย่าหลอกลวงเด็ดขาดว่าร์อัลดอริอูอร์ลีอย่าโซนนะว่าร์อัลดริเฟรค อย่าหยาบคายนะวร์อลดร์ยเจริงใจเสมอนะวร์อลติอรใจดีเสมอนะวร์อลติดฮ g ้ลีสุภาพเสมอนะวร์อลติดฟลกลับบ้านดีๆนะคะ ดูแลตัวเองดีๆนะคะป้องกันตัวเองระวังตัวเองมาเยี่ยมเราอีกนะคะไปเยี่ยมเราอี่ w w w ะเ o ็วๆน